ทุอย่างต้องรู้เท่ารู้ทันทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเองอ่าทํางานก็เช่นนั้นเองไม่ทําก็เช่นนั้นเองเหมือนกันเี่และข้อสุดท้ายเป็นข้อตัดบทมีสามข้อนะจําว้ให้ดีพระเจ้าอยู่หัวท่านปฏิบัติในชีวิตในเรียกว่าในชีวิตของท่านเลยล่ะ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 ท่านทำใจของท่านเป็นปกติตลอดมาถึงบ้านเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนท่านก็วางท่านก็อยู่ในสุญญาตาคือความว่างไม่ไม่มีเรื่องเหล่านั้นอยู่ในจิตใจของท่านบ้านเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนท่านก็ทำจิตใจเป็นปกติอยู่ได้คืออยู่ด้วยความว่างน่น right, คือสุญญาตาคือความว่าง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 เลยไม่ได้เข้าใจสิ่งเนี้ยซึ่งสิ่งนี้มีมีความว่างหล่อเลี้ยงกิจใจของคนเราอยู่อืมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็คอยตัดบทอ่าตัดบทอยู่เรื่อยธรรมชาติมันคอยตัดบทเรื่องอะไรเรื่องอัตามายตาเนี่ยคือตัดบทอืมคือไม่เอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ว่าทุกข์เรื่อง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 จิตใจของคนเรานั้นมีความว่างเป็นประจำอยู่แล้วท่านเรียกว่าเป็นประพัดสอนอยู่แล้วมีความสงบเย็นอยู่ในตัวมันเสร็จแต่อาศัยสิ่งกระแสภายนอกมาปรุงแต่งมายอมมาพัฒนามันก็เลยไปแปลว่าอิเลตันหาจอนเข้ามาทำให้ใจิตใจของเราสกรปรกมัวหมองนั่นนะ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 ทําทเสร็จก็วางเลยวางทุกเรื่องที่ทําเสร็จแล้ววางทุกเรื่องเนี่ยที่นี่เราไม่วางเมื่อไม่วางมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนทีนั่นนะอันนี้คือภาคปฏิบัตินันพูดให้ฟังนี่ไม่ใช่ภาพทุกคนต้องปฏิบัติได้เองทั้งหมดแล้วก็มีอยู่ในตัวของเราแล้วทั้งหมดเนี่ยแล้วเอกในหนึ่งก็จะพูดให้ฟังว่า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 ท่านวางทุกเรื่องทำเสร็จแล้วท่านวางเลยเข้าสู่ภวงัวงเข้าสู่ความสุญญตาคือความว่างหมดแล้วท่านจึงไม่ได้เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรไเราเคยดูเคยสังเกตท่านทำไมดูไม้มนั่นแหละเวลามีคนทำไม่ดีไม่ร้าย อ, ะอ่ะเข้าไปหาใช่อืม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 นั่นนะเห็นไหมท่านว่าท่านจะต้องละกิเลสตัณหาโป่งวางให้หมดสิ้นก่อนที่พระองค์จะดับขันเข้าสูนานุนิพันธ์เนี่ยท่านก็เลยไปเล่งทําความเพียรอยู่คนเดียวเราสาวพวกทั้งหลายก็เห็นว่าท่านไม่จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยอีออกจากหมู่ไม่มาเฝ้าด้วยกันก็ไปทูลท่านน่ีใกล้จะหมดลมหายใจเขาออกยังมีคนไปทูลท่านอีกอะ่ะ ท่านก็บอกว่าไปเรียกมาอ่าไปเรียกมาเขาไปเรียกมาท่านก็ถามที่จริงท่านทราบแต่ว่าจะให้คนนี้แสดงเฉยเฉยก็บอกว่าข้าพระองคอ์ตั้งใจว่าจะต้องทำให้สำเร็จก่อนที่พระองค์จะดับขันท่านพระพุทธเจ้ากระสาธุสาทุอืมสาธุด้วยท่านก็เลยลีกไปอีก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 โปรงวางทุกเรื่องให้ได้โปรงวางทุกเรื่องให้ได้บางคนก็พูดว่าถ้าโปรงวางแล้วมันจะได้อะไรมันได้หมดนั่นแหละมันอยู่นี่มันไม่ได้ไปไหนนี่ชมมันว่าทีโอทีอยู่เนี่ยทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านก็เอาไว้นี่ไม่ต้องเอาไปบ้านมาแต่บ้านก็ไม่ต้องเอาบ้านมาด้วยมาที่นี่มาทำงาน